สิกขาบทที่7ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่บุคคลผู้กั้นร่มณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบรบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้กั้นร่ม